ทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอเจอมันคงยังมี้หนือกาลเวลามากยินงกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่ จะแปลหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้ชีวิตต้องเจออะไรกระนำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปคนเราเธอคู่กันไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไปสิบหนึ่งในใจยัง ก็คือความรักที่มีต่อเธอจะมันคงอย่างนี้หรือการเวลานะมากยิงกว่าอะไรบ่ให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ มา คงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระนำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปพอให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ จะแปลงหรือน้อยลงไปถ้ารักกันจริงถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกวาดำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไป